สัตว์สองเท้า115ที่ชื่อว่าสัตว์สองเท้าได้แก่มนุษย์นกภิกษุมีทยจิตจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุละใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัดปาราชิกภิกษุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอาบัตทุละใจให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอาบัดปาราชิก